ไปถึงไหนแล้ววันนี้คนน้อยไล่ทีละคนได้ใช่ไหมคะตอนแรกจะถามท่านเยอะแยะไปหมดถึงเวลาจริงตื่นเต้นมือหมุนเลยคือตอนช่วงหลังจากที่มากราบท่ทานคราวที่แล้วพอกลับไปมันจเจริญสติได้ดีเหมือนกันแต่ว่าพอผ่านผ่านไปตอนหลังๆมันรู้สึกว่าเริ่มจองแล้วก็เริ่มไปเพ่งอะค่ะก็ <htaking> เห็นเหมือนเหมือนจิตเขาเข้าไปควานหาตัว<ด>อื่น แต่ก็พอรู้ตัวอีกทีก็เดี๋ยวก็เพง่งเดี๋ยวก็เพ่งตลอดเลยค่ะแล้วก็เมื่อวานเห็นตอนที่มันมีความรักความชอบแรงๆเนี่ยว่ามันวูบขึ้นมาเองนคะคะดีนะนี่เราฝึกรู้ไปเรื่อยๆเราไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับตัวเองนะค่ะเราฝึกดูเราจะเห็นเลยจิตใจเนี่ยมันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืน<ะ>เราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราเริ่มเห็นไหมมันไม่ใช่เราเหรอกมันทํางานได้เอง เขาไปของเขาเองไปเองคเนี่ยการที่เราเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนะเขาทํางานของเขาไปเรื่อยๆเขาไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆวันหนึ่งเราล้างความเห็นผิดแต่เดิมเนี่ยเราเห็นผิดตลอดเวลาว่ากายกับใจคือตัวเราแต่ตอนนี้เรามีสติมีปัญญาขึ้นมาเราเห็นมันทํางานเองถึงวันหนึ่งมันจะล้างความเห็นผิดม่าเป็นเราได้ดีล้วฝึกไปเรื่อยๆตอนนี้บางทีพอตามดูเรื่อยๆแล้ว บางครั้งมันเห็นจิตมันมันวายต่อต่อกันแล้วแอบเหนื่อยค่ะถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องตามเขาไม่ทันนะกไม่ต้องตามให้ทันทำเท่าที่ทาได้นะไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้บ้างเผลอบ้างถ้าเหนื่อยมากก็พักผ่อนนิธีพักผ่อนของนักปฏิบัติก็คือทำสมถะเช่นไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อให้คลึ้มคลุมซึมซึมทื่อือ แต่ให้จิตใจได้สงบได้พักผ่อนได้สบายพะจิตใจมีความสุขมีความสบายแล้วเรามารู้กายรู้ใจต่อไปในเมื่อไร่มีสติมีปัญญาขึ้นมาเราก็เห็นกายเห็นใจมันไม่ใช่ตัวเรามีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยเมื่อไร่ขาดสติเราก็รู้สึกว่ามีตัวเราขึ้นมามันคล้ายๆมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างความเห็นถูกกับความเห็นผิดตลอดในสังสารวัฏเนี่ยสะสมแต่ความเห็นผิด รู้สึกว่ามีเราพอมหัดเจริญสติเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจทํางานไปเรื่อยๆรเริ่มเห็นว่าไม่มีเรานะล้างมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดไปตอนนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะคือบางทีพอรู้ตัวบางครั้งก็ตามรู้ทันว่าเมื่อกี้เป็นอย่างไงแต่ว่าบางทีมันมันไม่ได้รู้ว่าเมื่อกี้เป็นไงรู้แค่ว่าไม่มีสติอย่างนี้แค่นั้นพ ไ, ไหพ <อ S 2> ะ, ะก็คือเมื่อกี้ขาดสติะแค่นั้นก็พอแล้รู้เท่าที่รู้ได้ค่ะ ไม่ต้องรู้ละเอียดก็ได้ความหยาบหรือความละเอียดจริงๆไม่มีนัยยะเท่าไหร่เพราะทั้งหมดล้วนแต่เกิ ด, ดแล้วดับเราต้องการให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปไม่มีตัวเราหรอกหมดเขาจะเกิดห้ามเขาก็ไม่ได้เขาก็เกิดขึ้นมาใช่ไหมอย่างใจจะหนีไปคิดไม่ห้ามไม่ได้ห่วงใหญ่เลยเ อ, อทําอะไรไม่ได้สักอย่างดูไปเรื่อยหนุ่มเนี่ยบังคับตัวเองแรงไปนะยังบังคับแรงไปมันก็พอได้แล้ะ อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะกล้องแล้ว้กล้องเป็นไงตอนนี้ดีกว่าตอนเช้าหน่อยเพราะเช้ามันฟุ้งซ่านกระจายไปตอนนี้มันตั้งมั่นได้มากขึ้นมาหน่อยดีแล้วก็ที่เห็นเนี่ยมันก็มักจะอยู่ดีๆมันก็จะพอมันสติเกิดเองมันก็จะเห็นทันทีเลยว่าทั้งเอ้รูปกับเจตสิกข้างในเนี่ยมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเราเลยอืแต่ประเดี๋ยวพอมันเผลอๆมันก็ ให้มื่เบลอโม่โม่เป็นก้อนๆขึ้นมาพอรู้สึกตัวดีๆบางทีบางวันถ้าเกิดว่ามันความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นมาที่ๆไม่ได้เห็นเหมือนกับเป็นซากอะไรค่อยๆแฝบลงไปไม่มีตัวเราพอถ้าเกิดพัฒนาที่เราลงไปได้เยอะๆมันก็จะพ่องขึ้นมาเป็นตัวใหญ่ๆอีกมีตัวโตขึ้นมาเนี่ยแหละฝึกไปได้ดีแล้วกล้องคือเราไม่ได้สู้กับใครไม่ได้สู้เพื่อเอาดีเอาสุขสงบหรอก เราหัดรู้กายหัดรู้ใจเพื่อจะได้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจพอเราเห็นความจริงกายกับใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีก็ได้พระโสดาบันนั้นพระโสดาบันไม่ใช่ว่าไปนั่งทําอะไรต่ออะไรมาแล้ววูบหมดสติพอตื่นขึ้นมาบอกเป็นพระโสดาบันอย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ใช่เลยเลวไหลเลยในขณะที่เกิดอริยมรรคก็รู้สึกตัวมีจิตมีสติอยู่เกิดอริยผลก็มีจิตมีสติอยู่ ไม่ใช่ว่าขาดสติลงระวังไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นละนะเมื่อก็มีอีกอันหนึ่งคือตอนนี้พยายามทำในรูปแบบทุกๆวันเลยใช้วิธีเดินจงกรม<อ>บางทีเนี่ยมันก็เหมือนกันโลบมาก <c oughs> อยากเดินให้ได้เยอะๆพอเดินๆไปตอนนั้นหลวงอาเคยสอนตั้งแต่แต่ก่อนบวช <c oughs> ว่าดูให้ดีๆตอนจะเลิกเดินอะ่ะมันมีอะไร <c oughs> ไเห็นว่ามันอยากเลิกแล้ว<อ>มันพุ่งพุ่งพ่างขึ้นมาแต่ คราวนี้บางทีมันก็เลยตัดสินใจไม่ถูกเอ๊อยากเลิกแล้วทู่ซีเดินต่อหรือว่าอยากเลิกก็เลิกมันเลยดีที่จริงเราต้องลบภาพลบความรู้สึกนะที่ว่าการเดินจงกรมนี่คือเวลาปฏิบัติธรรมตรง น, นี้ต้องลบทิ้งไปแล้วก็กลมกลืนการปฏิบัติเข้าอยู่ในชีวิตจริงๆทุกก้าวที่เดินเนี่ยรู้สึกตัวไปส่วนให้เดินกลับไปกลับมานะนะั่นอ่ะมันมีหลายแบบบางทีก็เดินเลื่อยเปื่อยใจลอยไปบางทีก็เดินทำสมถะนั่งเดินเพ่งไป ทีก็เดินรู้สึกไปทีก็รู้สึกกายบางทีก็รู้สึกใจหมุนไปเรื่อยๆในความเป็นจริงแล้วก็คือทุกก้าวที่เดินต้องรู้สึกตัวพยายามรู้สึกไม่ใช่ว่าจะเลิกปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเลิกไม่ได้ต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นตอนที่เผลอไปกับตอนที่ไปคิดๆอะไรเงี้ยนอกกนั้นต้องปฏิบัติทั้งวันห้ามเลิก คือที่มันจะเลิกไม่เลิกที่มันรู้สึกตีกันก็เพราะว่าที่สังเกตมาตลอดเวลาทำเนี่ยมันก็เป็นส่วนใหญ่มันเป็นสมถะรู้สึกว่าถ้าทำสมถะไปเยอะๆเนี่ยพอไปเจริญสติในชีวิตประจำวันต่อแลวเนี่ยสติมันว่องไวมันรู้มันรู้ได้เร็วแต่ถ้าเกิดพอเดินไปปุ๊บมันฟื้นมันก็โอ๊ยโทรศมันก็ท่วมไปหมดเลยก็มีสติรู้ว่าโทรศัพท์ท่วมขึ้นมานะแล้วก็เดินไป เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันอยู่ในอิริยาบถใดเราก็ต้องมีสติถ้ามันอยู่ในอิริยาบถเดินเราก็รู้สึกไปโทสาท่วมขึ้นมาก็รู้สึกเอาทำไมพระต้องเดินกลับไปกลับมาถ้าเดินไปเรื่อยเรื่อยมันออกนอกวัดเช่ไหม <c oughs> ง่ายนิดเดียวเลยเลยต้องเดินกลับไปกลับมานี่เราก็ไปวาดภาพว่าถ้าเดินกลับไปกลับมานี่แหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมเรียกว่าเดินจงกรมถ้าเดินธรรมดาไม่เดินจงกรม จงกลมไม่ได้แปลว่าเดินกลับไปกลับมาจงกลมแปลว่าก้าวไปทุกก้าวที่รู้สึกเนี่ยนะเดินจงกลมแล้วนะจะชับกลุ shopping, ้งชับปิ้งอะไรก็เดินจงกลมได้ทั้งนั้นแหละงั้นการปฏิบัติเนี่ยเว้นวรคไม่ได้อย่าเว้นวักนะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยพยายามรู้สึกตัวไปได้วยรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไปเรื่อยไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกลมถึงจะเรียกปฏิบัตินอกเวลานั้นแล้วไม่ได้ปฏิบัติถ้าเรายัางเว ck, ้นวัคการปฏิบัติเนี่ยเรายัางไกลต่อมากคล น, นิพาน ถ้าเราไม่เว้นวักเลยรู้สึกไปทั้งวันรู้บ้างเผลอบ้างไม่ใช่ว่าต้องรู้สึกได้นะนก็รู้สึกแล้วเผลอรู้สึกแล้วเผลอเวลามีธุระมีงานมีการต้องไปคิดเรื่องงานอันนี้รู้สึกไม่ได้คิดเรื่องงานชักคักชักเครียดละรู้ว่าเครียดนี่กลับมาปฏิบัติแล้วไม่มีการเว้นวักนะต้องดูกระทั่งในพระไตรปิฎกพระอราหันต์แต่ละองค์เนี่ยไม่ได้เคยเว้นวักการปฏิบัติเลยอย่างพระอา น, นุ์ใช่ไหม คนไทยเรียกพระอานุนท่านชื่อพระอนันทะอนันดะพระอนนต์พระอนุนเนี่ยเดินจงกรมคืนสุดท้ายก่อนจะเป็นพระอราหารันต์พรุ่งนี้จะสังคยนาแนละ้วท่านใจปิดกบอกว่าในราตรีสุดท้ายก่อนสังคยาณาเนี่ยพระอนุนนะได้ยังราตรีให้ร่วงไปเป็นส่วนมากด้วยกายคตาสติรู้กายเห็นไแตกหักด้วยการรู้กายนะพระอนุน์ไม่ใช่ว่าจะต้องแตกหักด้วยการดูจิต ไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าดูกายถูกต้องใช่ไหมมันก็จะมีสติสมาธิปัญญาอันเดียวกันนั่นเองนี่พาะนนเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการรู้กายจนกระทั่งใกล้สว่างแล้วถ้ารู้สึกว่าสมควรพักผ่อนแล้วถ้าไตรปิฎกเขาบอกว่าท่านคิดว่าพรุ่งนี้ต้องสังคายนาวันนี้จะต้องพักแล้วก็บอกว่าท่านเอ็นกายลงนอนเท้ายังไม่ถันพ้นพื้นศีรษะไม่ทันถึงหมอนบนรรลุพระอรหันต์ แล้ไตรปิฎกไม่ได้บอกเลยว่าท่านเห็นว่าคืนนี้ใกล้สว่างแล้วจําเป็นต้องพักผ่อนท่านก็เลิกปฏิบัติแล้วเดินมานอนไม่มีนะไม่มีคํานี้นะงั้นคําว่าปฏิบัติเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้ขาดสตินั่นแหละเรียกว่าเลิกปฏิบัติมีสติก็คือปฏิบัติแล้วงั้นพระนอนเนี่ยเอ็นตัวลงนอนด้วยความรู้สึกตัวหมดความจงใจนึกออกไหมหมดความจงใจว่าจะต้องบรรลุแล้วก็ขาดตรงนั้นเลยเพราะจิตไม่ปลุงต่อแล้ว ในขณะที่เดินมาทั้งคืนเนี่ยนะเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุนะรุ่นน้าเขาได้รับพยากรณ์ไม่ว่าจะบรรลุอย่างรวดเร็วเนี่ยคืนสุดท้ายนี้จะยังไม่บรรลุแล้วพรุ่งนี้จะไปสังขยนาใช่ไหมเป็นท่าเสกคบุคคลไม่ใช่พระอรหันต์ไปสัมมาดาอยู่องค์เดียวก็แปลกกับเขาเียตอนนั้นหมดความจงใจไม่ได้แล้วปะช่างบันเถอะนะทักถอนแต่ไม่ใช่เลิกปฏิบัตินะเห็นตัวลงนอนท่านก็ต้องรู้สึกตลอดมันถึงขาดตอนนั้น รู้ตัวอยู่แต่ไม่ได้จงใจอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะรู้แต่ไม่ได้จงใจถ้ายัางจงใจอยู่ไม่ได้กินหรอกโลภะมันเอาไปกินหมดนะแต่ก็อาศัยความจงใจในเบื้องต้นนั่นแหละมารู้กายมารู้ใจรู้ถูกบ้างรู้ผิดบ้างเผลอไปบ้างรู้สึกขึ้นมาบ้างนะเพ่งไปบ้างรู้สึกขึ้นมาบ้างหมุนเวียนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาศัยการที่ทําผิดทําถูกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะแล้วบทที่เรียงตัวลงนอนนะ โดยที่ไม่ได้จงใจก็ขาดตรงนั้นในยุคเรานี้มีพระองค์หนึ่งท่านมาเรียนกับหลวงพ่อเรียนหเดือนเองนี่ท่านสวดมนต์ท่านชอบสวดมนต์สวดสวดสวดจนลุกสิทธ์หนีไปหมดเลยนะไม่มีใครอยากอยู่ด้วยท่านสวดทีหนึ่งหลายชั่วโมงมากเลยเอาสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่สวดแล้วดูจิตดูใจไปเรื่อยเห็นมเครื่องอยู่อะไรก็ได้เสร็จแล้วท่านจะต้องพักผ่นท่านเอ็นตัวลงนอน ทานก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาในขณะนั้นไม่มีตัวมีตนอะไรเลยบอกมันจับใจมันตัดตัดเงยชักลืมแล้วท่านเล่าให้ฟังนานแล้วนันเรียนหกเดือนไปเรียน6เดือนแล้วภาวนาไม่เลิกเห็นไหมทำอะไรก็คอยดูทำอะไรก็คอยดูจิต ด, ดูใจไปสมัยพวกเราใช้เวลานานพวกเราดูบ้างแล้วก็เลิกไปบ้างเราเว้นวักเว้นวักมากยังไม่ได้กินหรอกหลวงพ่อภาวนา ไปเรียนจากหลวงปู่ดูลเนี่ยท่านให้ดูจิต ด, ดูตลอดเลยนะเว้นแต่ตอนหลับกับตอนเผลอไปคิดหรือตอนที่ต้องไปคิดเรื่องงานอะไรเงี้ยนอกนั้นดูไม่เลิกหรอกนะทำอะไรก็ดูไปเรื่อยๆถ้าเว้นวักไม่ได้กินหรอกนะอย่าเว้นวักนะรู้ลูกเดียวรู้ไปรู้บ้างเผลอบ้างดีบ้างชั่วบ้างนะดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตเขาพอมันกตัดล้ อ้าวมีอะไรอีกไหมกล้องไม่มีแล้วส่งไปตอนนี้มันเวลามันรู้นีครับมันสืของมันบางมากเลยมันอะไรนะมันบางเฉียบเออมันบางเฉียบมันเงียบไหมเงียบสนิทมันมีน้ําหนักไหมแล้วก็ไม่มีน้ําหนักแต่มันอยู่ได้แว็บเดียวเท่านั้นเองแล้วก็มาแว็บแล้วลุกไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดมีน้ําหนักหนาหนาหนวกหูไม่ใช่ล้าไรน้ําหนักบางเฉียบเงียบกลิบ แต่เวลาจะเห็นเนี่ยครับพราะมันรู้จักตั ว, ตวข้นมามันรู้สึกว่าสันตติสัน ต, ติขาดไปนิดหนึง่งช่วงเออนั่นแหละจะขาดน้ำจะต่อนั่นแหละตรงที่เราเห็นสันตติขาดนะวิปัสสนาแท้ๆเกิดละถ้ายังเห็นเป็นเนื้อเดียวกันรวดเลยยังไม่ใช่หรอกมันเหมือนกับคล้ายๆว่าทั้งชีวิตแล้วจิตใจมันดับปุ๊บหนึ่งแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ปุ๊บอีกก็เปิดขึ้นมาใหม่นั่นแหละมันเปิดสวิตช์ขึ้นมาระยะระยะระยะนะเกิดแล้วดับลงไปดับลงไป ดีล้วดูงั้นแหละมีอะไรต้องปรับปรุงไหมครับอย่าอยากนะอย่าขี้เกียจอยากมากก็จะขยันนะอย่ากขี้เกียจไม่ดูเลยไม่ขยันเกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเทวดาเทวดาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันตอนกลางคืน บอกเทวดาเนี่ยลัศมีของเทวดาเนี่ยทำให้พระเชตวันสว่างเหมือนกลางวันเลยเทวดานี้รัศธิมีอะ่ะเพราะเทวดานี้ชอบภาวนาอันนี้สว่างต้องรู้ด้วยใจนะไม่ได้รู้ด้วยตาเสร็จแล้วเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรข้ามพ่วงน้ําพ่วงกิเลสได้ไงบอกเราข้ามเพราะว่าเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่ถ้าพักก็คือปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไป ลงตามโลกไปถ้าเพียรอยู่ก็คือบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเรื่อยไปงั้นท่านข้ามโอคะเป็นพระอราหันต์ได้เพราะไม่พักอยู่แล้วก็ไม่เพียรอยู่พวกเราชอบเพียรมากไปอยากปฏิบัตินั่นแหละลงมือบังคับตัวเองลงมือกําหนดลงมือบังคับลงมือควบคุมห้ามเผลอนะเผลอไม่ได้นะจะต้องมีสติตลอดเวลานะนี่บังคับสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะจิตจะมีสติหรือจิตจะขาดสติห้ามมันไม่ได้หรอกเลือกไม่ได้ เพียงแต่ทำเหตุของสติสติก็เกิดบ่อยทำเหตุของความขาดสติความขาดสติก็เกิดบ่อยหัดรู้สภาวะเรื่อยๆหัดรู้ไปไม่มีงานอื่นหรอกหัดรู้สภาวะลูกเดียวเลยนะหัดรู้ไปอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้อะไรเกิดขึ้นในใจรู้ลูกเดียวหัดรู้ไปจนสติเกิดเองใจตั้งมั่นขึ้นมาเองสักว่ารู้สักว่าเห็นได้เองปัญญาเกิดเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเองเป็นเองทั้งหมดเลย ถ้ามีความจงใจเจือขึ้นสักนิดหนึ่งมันคือการสร้างพบขึ้นมานหนึ่งเหมือนจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรเราจงใจขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เราก็ปรุงแต่งแล้วตรงที่เราปรุงแต่งนี่แหละเรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารรากเงาของปุญญาพิสังขารคืออวิชชาจาไหมนะรากเงามันเป็นอันเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนั่นแหละ เพราะงั้นอยากชั่วหลงตามโลกอยากดีมาบังคับกายบังคับใจกำหนดกายกำหนดใ จ, ดใจรักเงาก็คืออวิชชาเดียวกันคือความสําคัญผิดว่ากายในี้ใจนี้เป็นตัวเราความยึดถือว่ากายกับใจเป็นของดีของวิเศษก็อยากให้มันสุขถาวรดีถาวรสงบถาวรอะไรเนี้ยมันก็ดิ้นรนปรุงแต่งคนชั่วก็ดิ้นแบบชั่วชัวคนดีก็เป็นนักปฏิบัติดิ้นแบบนักปฏิบัติบังคับกายบังคับใจเรื่อยๆไป หวังว่าวันหนึ่งจะดีแท้จริงกําลังสนองอวิชาอยู่กําลังเซิฟอวิชาอยู่นั้นให้แค่รู้สึกนะหันรู้สึกกายหันรู้สึกใจไปเรื่อยเรื่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกหยาใจลอยคําว่ารู้สึกเนี่ยแปลว่าไม่ให้เผลอไปกับไม่ให้เพ่งไว้ถ้าเผลอก็ไม่รู้สึกถ้าเพ่งก็ไม่รู้สึกพวกเราสนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดคือนักเพ่งรู้กายเพ่งกายรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจรู้ท้องพองยุบเพ่งท้อง เดินจงกลมเพ่งเท้ารู้อิริยาบถสีเพ่งมันทั้งตัวเลยนะขยับไม้ขยับมือเพ่งมือจะหยิบอะไรทีหนึ่งเพ่งให้จิตมันแนบอยู่ในมือนี่เรื่องเพ่งทั้งนั้นนะอีกพวกหนึ่งเผลอทําอะไรก็ไม่รู้เผลอทั้งวันนะขณะที่เผลอไม่รู้กายไม่รู้ใจขณะที่เพ่งกายกับใจผิดความเป็นจริงนิ่งเกินไปนะไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะงั้นไม่ทําผิดสองอันนี้แหละรู้สึกเรื่อยๆไปนะ รู้สึกกายรู้สึกใจไม่เผลอแล้วก็อย่าไปเพ่งกายอย่าไปเพ่งใจรู้สึกไปเรื่อยถึงวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาไม่มีตัวเราเลยภนะาว่าแห่งความเป็นอุเบกขาที่แ ท, ท้จริงเกิดขึ้นมาจิตใจทนานั้ น, นไม่มีน้ำหนักเลยไร้น้ำหนักนะแล้วบางเฉียบเลยแล้วก็เงียบเลยนะเงียบสนิทจริงๆไม่คิดไม่นึกไม่ปลุงไม่แต่งรู้ลูกเดียวรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏ รู้แล้วไม่ทําอะไรเพิ่มไม่มีกระทั่งการสําคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้คือสิ่งนี้นี่ความโลภเกิดแล้วนะนี่ไม่มีอย่างนี้เห็นแต่สภาวะหนึ่งผุดขึ้นมาไม่รู้ว่าคือสภาวะอะไรด้วยนะเพราะว่าไม่มีสัญญาเข้าไปสําคัญมั่นหมายว่ามันคืออะไรเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกถึงใช้คําว่ายังกินจิสมุะทะธัตมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้บอกว่าคืออะไรเพราะบอกไม่ได้ถ้ายังบอกได้ยังมีคำพูดอยู่ไม่ใช่ของจริงนะยังเชื่อด้วยสมมุติบัญญัติอยู่หัดรู้สึกนะเวลาที่ภาวะเหนือบัญญัติเกิดขึ้นมันเกิดแว บ, บเดียวก้องรู้สึกมเกิดทีละนิดเดียวไม่เกิดยาวคุณตรงเห็นใช่หมเกิดแว บ, บเดียว น, น, นะถ้ามันเกิดแล้วกําลังของวิปัสนาญาณของเราแก่กล้าพอนะอริยามรรคจะเกิดต่อจากนั้นได้จิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองเลยนะไม่ต้องเข้าฌานมันจะเข้าของมันเองเลยแล้วกระบวนการที่จะเกิดอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเนี่ยพอมาว่างๆแนละ้วใจถอยออกมาไม่มีแรงพอที่จะเดินต่อไปถอยอุย้ยเมื่อกี้ว่างทํายังไงจะว่างอีกอีกชาติหนึ่งยังไม่ว่างอีกเลยนะไม่ได้กินเลย งั้นใจถึงถึงนะอดทนตามรู้ตามดูลูกเดียวเลยกําลังพอแล้วมันก็รวมเข้ามาตัดเองอไปเชิญถึงไหนละถึงไหน<อ>บังคับไหมบังคับไหม <c oughs> ยังบังคับอยู่เปล่าครับเออดีที่เห็นคือข้าว่อนมาแล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าบางครั้งเห็นสภาวะมันทางห่างบางครั้งมันก็แนบอยู่กับเราหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปยึด<อ>ไม่ให้ทิ้งไปทั้งคู่<อ>ก็เลยกลับไปพิจารณาดูก็เห็นว่า พอรู้สึกว่าสภาวะมันห่างๆเรามีความยินดีมัน<ด>พอใจครับพอมั น, น, นแนบๆเราไม่พอใจมันก็ยินร้ายเนื่อแหละให้รู้ทันนะจะแนบก็ได้จะห่างก็ได้รู้ลูกเดียวเลยพอเรายินดีเราก็จะไปปรุงแต่งการประคับประคองไว้หรือพยายามรักษาพยายามดูมันแล้ว<ๆ> พ, พอไม่มันไปแนบไม่พอใจพยาพพยามผลักพยายามผลักขณะที่พยายามผลักนะั้นโทสะเกิดขณะที่พยายามรักษานะี่ยราคะเกิด แล้วยืนพื้นเลยคือโมหะไม่เห็นสภาวะตรงความเป็นจริงว่ายินดียินร้ายอยู่นั่นะโมหะโมหะคือไม่รู้ความจริงราคะคือพยายามดึงเอาไว้พยายามรักษาไว้โทษาพยายามผลักออกไปนี่กิเลสจะทํางานตลอดเห็นไหมกิเลสร้ายนะเลยอย่ารอไม่ใช่สู้ง่ายๆนะกิเลสอ่ะเพราะฉนั้นต้องทนนะต้องอดทนค่อยๆเรียนไปไม่ใช่อยู่วิเศษวิโสอะไรดูปุ๊บๆจะหลุดไม่ไม่ได้หลุดง่ายอย่างนั้นหรอก พวกที่เขาหลุดง่ายเพราะเขาทํามาหนักนาสาหัสแล้วอย่างพระภา ย, ยะเป็นเอตทักคะทางรู้เร็วฟังธรรมอยู่บทเดียวเขาเป็นพระอรหันต์ในเวลาสั้นนิดเดียวฟังจบบรรลุเลยถือว่าบรรลุเร็วที่สุดเป็นแชมป์ชาตินี้เร็วเป็นแชมป์เพราะว่าชาติก่อนภาวนาจนตายเลยนะไม่ได้อะไรเลยแต่ไม่เลิกยอมตายกับการภาวนาั้นไม่มีนะของฟรีของฟลุก๊กไม่มีหรอก มีแต่ต้องลงทุนลงแรงต้องทําเอาเองเราไปเห็นครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะดูท่านมีความสุขสบายไม่เห็นตอนท่านลมลุกลุกครานนี่นะอย่างหลวงปู่เทศนะเคยเล่าหน้าหงสารเลย ข, ขึ้นเขาเที่ยวตะเวนหาหลวงปู่มั่นหายไปจากอีสานเนี่ยเที่ยวตะกายหาไปด้วยตามหาหลวงปู่มั่นจะไปเรียนกรรมฐานต่อตกเขาหนะ้าแข้งกระแทกหินนะแต่ลึกเลยลึกมากเลย อยู่กลางป่าด้วยถ้าถ้าถ้านอนอยู่กับที่ก็ตายเดินก็เดินไม่ค่อยไหวแนละ้วบอกตะเกียกตะกายไปอดอาหารอะไรเงี้ยตะกายไปพักเพียรอยไปเจอชาวบ้านนะได้ฉันอาหารค่อยมีเรี่ยวมีแรงค่อยเดินทะลุออกมาได้ครูบาอาจารย์แต่ละวงลําบากไม่ใช่ง่ายๆบางวงอดนะหลวงปู่ชอบหลวงปู่อะไรเงี้ยเดินหลงป่าอดหรือหลวงพ่อมณฑลนี่นะอดไปหลายวัน หลงตากฝนตากแดดหลายวันปลอดชื้นปลอดบวมไปเลยรอดตายออกมาเป็นครูบาอาจารย์นี่เราไปเห็นท่านโอ้สบายจังเลยทำไงเราจะเอาอย่างท่านบั่งเห็นท่านนั่งนั่งนอนๆท่านบรรลุไปแล้วอี <c oughs> ตอนท่านล้มลุกลุกลาดเราไม่เห็นเราจะเอาแต่ผลนะไม่เอาเหตุเหตุต้องสู้นะต้องสู้ต้องเด็ดเดี่ยวต้องสู้ไม่มีหรอกของฟุกุกฟรีฟ ร, ฟ ร, ฟรีไม่มีหรอก เพราะงั้นพากเพียร น, นะอย่าท้อถอยนะแต่ละคนมีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วอย่าถอยมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วอย่าถอยนานๆจะมีโอกาสอย่างนี้ทีหนึ่งเอาไปถึงไหนรับไปส่งไปแอนดี้ส่งข้ามๆเนี้ยชอบอคือบางวันนะคะจะรู้สึกว่าไม่ได้ปฏิบัตินะคะแต่ความรู้สึกอีกความรู้สึกนึงก็คือเหมือนข้างในเขาลบกัน เต็มที่เลยอะค่ะนั่นแหละดูเข้าไปค่ะแล้วบางทีแบบเขาลบกันแล้วแล้วตัวเราก็หายว่าไปแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเออเมื่อกี้เราหายไปไหนเอจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆอะค่ะเออตอนหายไปนั้นมันหลงไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องทํำดูเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราทําตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการสังเกตการลบนะทำตัวเป็นคนดูนะแหละดูเขารบกันระหว่างกุศลกับอกุศลมันลบกันไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้เรื่องที่เขารบกันเลยไม่ต้องไม่ต้อง รู้ลูกเดียวเห็นเขาทํางานไปได้ด้วยตัวของเขาเองเห็นไหมมันทํางานได้เองคมันตีกันเองนั่นั่งดูไปแต่อย่าให้ซึมนะซึมมากไปนิดนึงตอนเนี้ย<า>รู้สึก<า>มไ้มจิตซึมซึมรู้สึกค่ะบางครั้งนี้แบบรู้สึกอยากอยากจะปฏิบัติวันเนี้ยอยากจะปฏิบัติมากเลยแต่พอเริ่มปุ๊บจะทําไม่ได้เลยแต่ถ้าเราแบบเฉยๆสักพักหนึ่งก็จะเกิดอาการแบบนี้อะค่ะอย่างนั้นมันเกิดเอง นะสติที่จงใจให้เกิดไม่ใช่ของจริงนนะัเป็นสติโลกโลกหรอกสติสําหรับอารมณ์ที่เป็นกุศลธรรมดาเรียกว่าสาธารณกุศลคล้านยะๆองค์การสาธารณกุศลส่วนะสติที่เราไม่ได้จงใจนะแล้วมันรู้กายมันรู้ใจเนะี่ยเป็นสติที่ใช้เดินมิปัสสนานะเป็นสติที่ดีอ้าวคุณเบนคุณเบนนวันวันนี้มันมันกระจายแล้วก็มันซึมแล้วก็มันก็ เท่งอะค่ะใช่แล้วมันก็หลุกหลีกไปด้วยรู้สึกไหมมันมั่วไปหมดแล้วมันมีหลายอันเนี้ยจะดูอันไหนมันก็ดูใจที่ไม่ชอบมันที่มันชอบแล้วมันชั่ง่ะเออดูใจที่ไม่ชอบมันนะเห็นไหมมันสภาวะมั่วซั่วไปหมดแล้วะมีสองอันนะอันนึงรู้ทันใจที่ไม่ชอบถ้าเห็นก็ใช้ได้อีกอันนึงรู้ว่ากําลังมั่วซั่วอยู่ค่ะ มองภาพรวมเลยดูใจไม่ออกแล้วมั่วไปหมดแล้วดูไม่ออกแล้วรู้ว่ากําลังมั่วซั่วอยู่ทันทีที่รู้นะขาดจะบั้นเลยใจสงบทันทีเลยคแต่เราไม่ได้ภาวนาเอาความสงบถ้าเรารู้ว่ากําลังฟุ้งซ่านอยู่มันจะสงบเองเพราะว่าความฟุ้งซ่านมันทนสติไม่ได้สติเกิดความฟุ้งซ่านมันดับทันทีเนี่ยสงบกว่าเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมถือไม้ไว้แล้วสงบมากขึ้น เดียให้เช่าเอาไหมถือไว้อ้าวคุณนาวันนี้ครบเลยเจ้าค่ะอะไรนะครบเลยค่ะหนาหนักแล้วก็เสียงดังแล้วก็มัวเออหมดเลยนั่นแหละดูไปพอใจหรือไม่พอใจล่ะไม่พอใจนิดหน่อยรู้ที่ไม่พอใจนี้อย่างแก้ตัวให้มันอีกว่าไม่พอใจนิดหน่อย อุสาห์แก้ตัวให้กิเลสนะให้รู้ทันลงไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าสภาวะใดๆเกิดขึ้นนะเมื่อเรารู้สภาวะแล้วจิตเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยให้รู้ทันรู้ทันจิตที่ยินดียินร้ายขึ้นมา <c oughs> ความยินดีในร้ายมันจะดับไปจิตจะเป็นกลางรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางสภาวะนั้นจะแสดงใจรักในฉับพลันนั่นเองเอาคุณนําเกิงวันนี้ดีกว่าเมื่อวานละ ใจค่อยโปร่งขึ้นมาแล้วมันรู้สึกเฉยๆ่ะครับแม้แต่เมื่อคืนนี่มันไอโรคประจําตัวมันกําเริบนะครับก็ดูมันแบบเฉยๆฮะดูว่าเมื่อไหร่มันจะไปยังไงไปยังไงดูมันดูมันเฉยๆไปอย่างนั้น่าดูไปมไม่ต้องไปยินดียินไลกับมันครับ<ะ>พอเรารู้ได้ใจเป็นกลางรู้สึกไหมใจสงบใจตั้งมั่นใจเบิก บ, บานบเกิดเองเลย แต่ถ้าเรายินดียินร้ายนะใจฟุ้งซ่านใจทํางานดิ้นรนดิดดิ้นไปมาไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ <นะ S 2> คือขณะที่ดูเนี่ยก็คอยจะจะเช็คว่าเออเรามียินร้ายหรือเปล่าไอ้ของที่อยนช็ออย่าจงใจเช็คนะจงใจเช็กจงใจเช็คคือหางานทําครับจงใจเช็ค ก, ก็คือเป็นภพของนักปฏิบัติอีกแล้วหางานทําแต่ว่าการที่ได้ฟังทำได้ยินหลวงพ่อพูดนะเนี่ย ไปรู้สภาวะแล้วยินดียินร้ายให้รู้ทันนะอะไรเงี้ยได้ยินสรรมะอย่างเงี้ยในเวลาที่เราไปเห็นสภาวะแล้วมันจะเกิดย้อนมาเช็คเองฮะบางทีมันคุ้นฮะมันเหมือนคุ้นที่จะเช็คมันจะคุ้นขึ้นมามันจะไม่มันจะไปรู้เองมันจะรู้ได้เองอาศัยการฟังธรรมนี่แหละนําร่องให้จิตเราฟังธรรมหนึงหลวงพ่อบอกว่ารู้เฉยๆนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเพ่งมันหน้าอะไรเงี้ยตอไปพอไปเพ่งมันจะรู้ว่าเพ่งครับ พอไปแทรกแซงมันยินดียินร้ายหรือได้ยินบอกว่าต้องรู้ทันนะจิตยินดียินร้ายให้รู้ทันเนี yeah. ่ยต่ไปพอจิตยินดียินร้ายมันจะรู้ทันเองครับนะอาศัยสุตตะอาศัยการฟังเพราะพวกเราเป็นสาวกภูมิ ok ครับนะอาศัยการฟังธรรมะเนี่ยมันนําร่องให้จิตครับแต่ไม่ไม่ใช่เอามาเช็คใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปทาอาศัยการฟังธรรมะเนี่ยแล้วจิตมันจะไปทำของมันเองครับครับจิตมันจะไปเช็คของมันเอง เราไม่ต้องไปช่วยมันนะการที่เราพยายามไปช่วยมันนั่นแหละเรากลังสนองอวิชาอยู่ตอบสนองมันอยู่นะเอาคุณเน่งคุณเน่งวันนี้จะซึมซึมแล้วก็มีฟุ้งซ่านสมแทมอะค่ะเออดีใช้ได้ค่ะแล้วไม่ค่อยเป็นกลางกลับขึ้นคนอื่นที่มากระทบอะค่ะเออดีรู้ไปไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเห็นไมชมตลอดเลยเห็นไหมดีๆเพราะว่าอะไรเราบอกสภาวะถูกต้อง ากรารนมัสการหลวงพ่อค่ะจะม า, ากลับขอบคุณหลวงพ่อรู้สึกโชคดีที่ว่าได้มาเจอธรรมะตรงนี้ค <laughs> <อ>่ะเพราะว่า ก, ก็สื่อสารอะไรเนวเหมือนกันแต่มีความรู้สึกว่าในใจว่า ม, มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่างไปสักพักหนึ่งก็คิดในใจว่าเอะเราจะหาธรรมะที่ไหนที่แบบมาใช่อะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าพี่ชายเอาหนังสือให้ก็อ่านไปแล้วก็ฟังซีดีอะไรเงี้ยค่ะฟังของหลวงพ่อประจําเลยฟังคือมันไม่เบื่ออือฮึก็ จริงๆปกติมีจะมีแฟนนั่งอยู่ข้างเขาก็จะเบื่อบ้างนั่งฟังเพลงอะไรเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกเราเราฟังแล้วมันฟังแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกัน <laughs> มันมันจะเข้าใจได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ตรงนี้ก็คือต้องต้องปฏิบัติไปด้วยแต่ตอนนี้เท่าที่ดูอยู่เหมือนกับว่าเคยมาหาหลวงพ่อสองครั้งหลวงพ่อบอกว่าประคองไปประคองก็คือก็เลยปล่อยคือไม่สนใจประคองเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเราอยากได้ดีอะไรประมาณเนี้เราเล ย, เลยต้องประคองแต่ว่าพอหลวงพ่อบอกประคองก็เลย งั้นไม่สนใจแล้วก็คือปล่อยมันไปเรื่อยแต่ว่าไม่ขี้เกียจที่จะตามรู้ตามดูมแต่ว่ามีความ ร, รู้สึกว่ามันมันมันเหมือนกับผ่อนไปหรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจอ<ค>ะค<ม>่ะหลวงพ่อ อ, นนะอันนี้อย่างนี้ใช้ได้อย่าง น, นี้ใช้ได้เลยใช่ไหมคะก็คือดูไปเรื่อยๆเท่าที่เราเราดูได้แต่ไม่ขี้เกียจแต่ไม่ขี้เกียจอย่างหลวงพ่อว่านิดนึงค่ะหลวงพ่อก็คืออันนี้อันนี้อาจจะถามแบบอันนี้ไปคือบอกว่าถ้าสมมุติว่าในภพชาตินี้เราแบบว่าคือบุญบารมีเราอาจจะยังไม่ถึงแต่เราไม่ขี้เกียจอย่างอย่างหลวงพ่อว่าค่ะ ก็เราจะทําเขาเรียกว่าปฏิบัติทานศีลภาวนายังไงให้อยู่ในกรอบนี้คือว่าสมมติว่าเกิดในภพภูมิชาติหน้าอะไรเงี้ยเรายังได้เจอธรรมะตรงนี้อยู่คือเราไม่หลงไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราลงมือปฏิบัติเนี่ยนะใจมันคุ้นเคยกับธรรมะมันไม่หนีไปไหนหรอกอ๋อมันไม่มันมันจะคุ้นกับตรงนั้นมันจะคุ้นเคยที่จะปฏิบัติอย่างเวลาเราภาวนานะอย่างเนี้ยตอนเนี้ยสมมติเราหัดรู้หัดดูเรื่อยๆแล้วเราไม่บรรลุอะไรเลยตายซะก่อนคชาติต่อไปเนี่ย สภาว่าอะไรที่แรงๆเกิดขึ้นสติจะเกิดเองอสติจะเกิดขึ้นได้เองแต่ว่าจะคลำทางต่อไม่ได้จนงไปจะได้ฟังธรรมเพราะว่ารเร า, <ม>าอยู่ <มา S 1> ใน ส, สาวกภภูมิ อ, อย่างมีเด็กคนหนึ่งอายุสักสิบขวกไดนะ้เล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านนะมองไปเห็นไฟไหม้บ้านเป็นตึกแถว่เห็นไฟไหม้ห่างไปหลายห้องตกใจพอตกใจปุ๊บลุกขึ้นมาคนะว้าลูกหินไปด้วยนะเอ ไม่ไม่ทิงนะ <g ười> ความรู้เห็แล้วก็วิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งก้าวหนึ่งสองสามก้าวที่สามเท่านั้นสติสว่างปั๊บขึ้นมาเลย <g ười> มันเห็นความตกใจความตกใจขาดสะบั้นตรงนั้นเลย <g ười> แล้วก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมัโนะล่งไปหมดเลยไม่ตกใจเดินไปบอกพ่อพ่อไฟไหม้ข้างบ้านคราวนี้แล้วก็ยืนดูคนอื่นตกใจ <g ười> ใจเชยอ ย, อยู่งั้นนะ สงบมีความสุขอยู่แค่ไรแต่เสร็จแล้วก็ลืมสภาวะนี้ไปอีกเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์บอกให้มันจะลืมไปอีกต่อมามหัทภาวนาเนี้ยสติเกิดได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็พอสติเกิดรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วรู้สึกทันทีเลยนี่ของเคยทําอันเนี้ยเคยเป็นมาแล้วแบบเนี้ย น, นึกได้เลยตอนเด็กๆเคยเป็นนี่เด็กนี่ไปเล่าให้หลวงพ่อพุธฟังนะตอนโตแล้วไม่ใช่เด็กแล้นนะ หลวงพ่อพุธบอกว่ามันทํามาแต่ชาติก่อนแล้วจนมันอัตโนมัติเวลาที่เราไปกระทบอารมณ์ที่แรงๆเนี่ยสติจะเกิดขึ้นต้องอารมณ์แรงๆอย่างเกณฑ์แม่อารมณ์อันนี้คือตกใจเห็นไฟไหม้แล้วตกใจนี่อารมณ์แรงมันก็จะเห็นได้ชัดมีพระ อ, องค์หนึ่งท่านมาเล่าให้ฟังองค์ที่ว่าฝึกหกเดือนนะตอนท่านเป็นวัยรุ่นไปเที่ยวงานลอยกระทง กำลังเผลอๆ อ, อยู่เพราะจุดพลุข้างๆท่านเนี่ยโป้งขึ้นมาตกใจนะตกใจเหมือนกันเห็นใจที่ไหววาแบบเลยเราก็ดับลงความตกใจขาดสาก บ, บ้านเลยรู้ตัวตื่นโคลงขึ้นมานะพอมาเรียนกับหลวงพ่อพ อ, พอท่านรู้สึกตัวเป็นแล้วท่านบอกนี่ของเก่านี่ของเก่าเพราะงั้นเราภาวนาเนี่ยไม่สูญหายไปไหนนะแต่บางคนก็ชอบเรียนอย่างเรียนธรรมะเรียนเยอะๆากะว่าจะได้จำข้ามเพราะข้มชาติอันนั้นไม่จริง สิ่งที่จะข้ามพบข้ามชาติคือนิสัยชอบเรียนส่วนเนื้อหาที่เรียนท่องจําไว้พอสอบเสร็จก็ลืมไปครึ่งหนึ่งละอยู่ไปจนแก่ๆลืมไปเกือบหมดละไม่ทันข้ามภพข้ามชาติก็ลืมแล้วละแต่ว่านิสัยชอบเรียนนี่มันจะติดไปชาติหน้าก็ไปเรียอีกเคยมีพระองค์หนึ่งชื่อพระโอทิระผ่านพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วก็แตกชานพระไตรปิฎกตลอดมานะไม่บรรลุอะไรหรอก จนมาลงมือภาวนาหรือยถ่านไปได้จะติดนิสัยแล้วคนไหนมีนิสัยคอยจเจริญสติคอยรู้กายคอยรู้ใจมันจะเกิดขึ้นเองจะตามข้ามพบข้ามชาติไปไม่หายนะอันนี้เป็นทรัพสมบัติที่เอาติดตัวไปได้เรียกว่าอริยทรัพย์มีศรัทธามีศีลมีสติสมาธิอะไรพวกนี้ติดเนื้อติดตัวไปมีฮิริโอตัปปะก็ก็สรุปว่าฟังทำหลวงพ่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ขี้เกียจ โอเค <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะแล้วก็หัดสังเกตไปเรื่อยนะใจเราเป็นไงรู้เรื่อยๆต่อไปอย่างคนไหนไม่มีหิริอัตปะเนี่ยไม่มีอริยทรัพย์นะยังจนอยู่ทาวนายากไม่มีศีลเรียกว่ายากจนการนมัสการหลวงพ่อครับก็เอาซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วก็ไปลองปฏิบัติดูครับคือ ก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทําถูกหรือยังครับใจมันแข็งไปนิดหนึ่งมันติดสมถะติดของเก่ามานิดหนึ่งนะคลายคลาออกเลยแต่ว่าใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วล่ะรู้สึกไ้มใจมันสว่างกว่าแต่ก่อนมันโล่งขึ้นมาครับตอนนี้ตื่นเต้นเราก็เลยไปกดเอาไว้ดูออกไหมครับเออตื่นเต้นครับกดแล้วกดเอาไว้ให้รู้ลงไปอย่างนี้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีแล้วครับแต่ว่าอย่าไปบังคับมันมาก ปล่อยให้มันทำงานให้กายให้ใจเคลื่อนไหวแล้วเราคอยรู้อย่าไปกดให้นิ่งมันติดการกดนะติดการกตดติดกรรมาฐานเก่ามานิดหนึ่งครับผมสัง เ, เกตไหมตอนส่งไม้เผลอไปแล้วสังเกตไหมตอนที่เผลอเนี่ยใจโล่งๆขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ปิดกดไว้งนั้นความทุกข์ของนักปฏิบัติเนี่ยสร้างขึ้นมาเอง อยากปฏิบัติก็กดเไว้แล้วก็มีความทุกขขึ้นมาแล้วก็ภาคภูมิใจนะแน่นอึดๆอย่างนี้ภูมิใจนะนี่แหละเราจะล่วงทุกข์ด้วยความเพี้ยนหารู้ไหมว่าเราปรุงมันขึ้นมาเองเคยเป็นไหมภูมิใจนะแน่นๆบางทียังสอนตัวเอยงยเนี่ยหนักแน่นอย่างนี้แหละเรียกว่าศีลล่ะนี่ใจเรามีศีลศีลแปลว่าศีลาแข็งเลยนั้นเพียนๆนะอ้าว่าไป อยากส่งกันบ้านเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกั น, นะค่ะแต่ส่งไม่ถูกเออส่งไม่ถูกก็ส่งไมคไปแต่ว่าหลวงพอ่อแต่ว่าโดยรวมแล้วยมก็มีความรู้สึกว่าโยมเบาขึ้นนะคะชสบายขึ้นดีแล้วล่ะที่ทําอยู่นะ<ช>ก็กดก็ยังกดเหมือนเดิมะวันนี้ดีกว่าวันก่อนอีกค่ะวันนี้เบากว่าวันก่อนครับรู้สึกไหมค่ะหลวงพ่อใจก็สว่างกว่าวันโน้นใจก็เบาใจก็โล่ง ใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขฝึกไปเรื่อยๆนะโดยนิสัยเดิมเป็นคนขี้โมโหกรรมนั้นนมัจการหลวงพ่อค่ะคือวันนี้ตั้งแต่เช้าตื่นมาก่อนจะมาวัดเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเองมีอารมณ์เยอะมากทําอะไรเยอะนะอารมณ์อะค่ะเกิดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเออเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วตามแต่ อะไรมากระทบเราก็จะเห็นนะคะว่าเดี๋ยวมันเลี่ยแต่มันจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่อะค่ะรู้เท่าที่รู้ได้รู้ไปเรื่อยๆอย่าไปจงใจประคองนะตอนนี้บังคับไว้นิดนึงดูออกไหมถ้าปล่อยไม้แล้วหายตื่นเต้นนะคะวันนี้ดีกว่าวันโน้นรู้สึกไหมรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนั่นแหลภาวนาดีแล้วล่ะแล้วรู้รู้ว่าที่ ที่ถูกแบบเป็นยังไงเออที่ก่อนมาเห็นไหมไม่ถูกหรอกอ่าเข้าใจแล้วแล้วต่อไปนะพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็จะรู้ว่าวันนี้ก็ไม่ถูกหรอกใช่ข้ออะไรรู้ไหมถ้าถูกนะอริยะมรรคมันต้องเกิดแล้วมันไม่ต้องกลัวผิดนะครับเอมันจะค่อยผิดน้อยลงน้อยลงนะก็ก็รู้สึกชีวิตเปลี่ยนเมื่อวานเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเยอะดีนั่นแหละใจมันเข้าใจธรรมะมากขึ้นมากขึ้นครับ เนี่ยหลวงพ่อเขี้ยวเข็นคุณหนักหนาสาหัสเลยนะเพราะว่าใจนันติดการเพ่งอย่างรุนแรงครับติดการบังคับอย่างรุนแรงพัฒนามาถึงวันนี้ได้ก็ดีใจด้วยนะแล้ ว, ลวคนคนส่วนมากถ้าถ้าอย่างผมมาแบบนี่หลุดยากมากเลยครับหลวงพ่ออะไรนะถ้าอย่างการเพ่งที่ผมเคยมีมาเนี่ยคนส่วนใหญ่นี่จะหลุดได้ไหมหลุดยากมากเลยลยา ก, า ก, ย, ย, ากยากที่สุดเลยนะเพราะอะไรเพราะเวลาเราเพ่งไว้เราภูมิใจด้วยนะ เรารู้สึกว่าเราได้ปฏิบัตินี่แหละดีนี่แหละคือทางปฏิบัติหลวงพ่อเคยเจอผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุ87ถ้าอยู่มาถึงวันนี้คงมากกว่านั้นเยอะแล้วคง90กว่าแล้วตั้งแต่อยู่ส่วนโพเป็นลูกศิษย์หลวงปูเทศตอนอายุ87บแก บ, บอกว่าดิฉันเนี่ยภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านสอนสมถะเราก็ไม่ได้คิดจะเรียนอะไรต่อสมัยน้นไม่ได้รู้สึกว่าสงบพอพอใจแล้ว ตอนนี้เรามาอยู่มาหลายปีหลายสิบปีเนี่ยฝึกมาตั้งหกสิบปีแล้วรู้สึกว่ามันสงบอย่างเดียวไม่มีปัญญาทำยังไงจะเกิดปัญญาหลวงพ่อบอกว่าก็ทําอย่างเดิมนี้ไปก่อนนะยังไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรหรอกเปลี่ยนไม่ทันแนละ้แก้ยากถ้าแก้แล้วเดี๋ยวจิตใจที่เก็บกดมาหกสิบปีมันจะฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วฟุ้งซ่านขึ้นมาดูต่อไปไม่ทันนะเดี๋ยวไปอบาย ไม่เป็นไรฝึกอย่างเนี้ยไปแล้วจะไปเป็นรูปกระพรมเดี๋ยวพระศรีอารมาก็ไปเรียนเอาใหม่อาจจะทันนะก่อนก่อนที่ผมจะมาเจอหลวงพ่อแล้วมาดูจิตเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็แพ่งหรอครับผมไม่ได้รู้สึกว่าผมแพ่งสตอนนั้ไม่มีใค่ไม่รู้หรอกแล้ว ร, รู้สึกว่าดีด้วยซ้ําไปแต่หลังหลังจากที่มาเริ่มดูจิตก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีอะไรผิดปกติอยู่อืก็ก็พยายามดูดูนะดูจนเป็นคนธรรมดา ต้องกลับมาเป็นคนธรรมดาให้ดวงปูดูนสอนนะจิตปกติของมนุษย์ธรรมดานะั่นแหละดีที่สุดแล้ว ก, การแพ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเป็นการแพ่งในฌานด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ใช่ยังไม่ถึงฌานมันคมไม่เฉยๆฉยถ้าเพ่งถ้าจิตเข้าถึงฌานนะจิตจะเบาสบายบมีความสุขกว่านั้นนี่เครียดเครียดเกินไปมันคมแรงไปแต่ว่าถ้าเรารู้ลงไปนะฝึกอย่างนี้นเรารู้แล้วเราคลายการบังคับตัวเองลง จิตมีความสุขขึ้นมานะจิตจะรวมลงเป็นฌานได้แต่อย่างนั้นจะไม่เกิดฌานเราไม่มีความสุขอยากให้เป็นฌานจิตต้องมีความสุขใช่ไหมคุณนาเกิงเนี่ยหลวงพ่อมีพยานนะคนเล่นฌานก็มีเรียนสำนักนี้นะมีสารพัดเลยนะมีทุกรูปแบบอะไม่กีดกันนะฝึกมาแนวไหนก็ได้โยเวนเข้าทรงเข้าทรงพูดกันไม่รู้เรื่องเลย มีเหมือนกันบางคนมาถามเนี่ยภาวนาแล้ววิสุทธิเทพมาหาแล้วทงเราท้อถอยที่จะพูดต่อไปขอบพระคุณครับตามดูไปแล้วมันคล้ายๆกับจะไปควานหาสภาวะอะให้รู้ทันว่ากวานหานะดีเสร็จแล้วเราไม่กวานคุณผู้ชายที่ไว้หนวด่นะ มันบังคับตัวเองแรงไปนิดหนึ่งนะทำใจสบายๆทำตัวสบายๆแล้วคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆอย่าไปบังคับมันนะบังคับแรงไปนิดหนึง่งคลายสบายๆทำตัวให้ง่ายๆกรรมาฐานจริงๆง่ายๆสบายมีความสุขจิตใจที่เป็นกุศลนะั้นมันมีความสุขมันเบามันโปร่งมันโล่งจิตที่หนักที่แน่นที่แข็งที่ซึมที่ทื่เป็นอกุศลจิต นีจิตนี้ไปคิดแล้วคุณหนวดรู้สึกไหมจิตวันนี้ไปคิดค่อยๆฟังนะของคุณอนะ่ะมันจะฝึกไม่ยากนักหรอกอ่ะมิงก่อนหน้านี้จะรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยชาร์ตนะคะ ว, วันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อสองสาวันก่อนแต่ว่าอสองอาทิตย์ก่อนหลวงพ่อชี้ว่าใจมันหลุกหลีกอะคะออ่ะอใจหลุกหลีกนี่คือมัน การที่เห็นไม่ชัดนี่ก็คือใช่หลุกลิกไหมคะมันฟุ้งซ่านไปในขณะที่มันฟุ้งซ่านเราก็รู้ได้ไม่ชัดคือเหมือนกันใช่ไหมคะฟุ้งซ่านหลุกลิกอะไรพวกนีโมะอะไระนั่นแหละเหมือนกันใช่เป็นโมหะโมหะชนิดหนึ่งนะเวลาที่มันเคลื่อนที่มั่วโวยนั้นมันดูยากเหมือนเหมือนเราเห็นคนร้อยคนนะอยู่ในสนามฟุตบอลแห่ลงไปเต็มสนามเลยเราจะดูบอลแล้วแห่ลงไปไล่เตะนักฟุตบอลอะไรเงี้ยดูไม่รู้เรื่องดูได้ไม่ชัด ถ้าเห็นเนี่ยมีลูกบอลลูกหนึ่ง<ม>เห็นชัดๆเลยตอนนี้อยู่นี่ตอนนี้ย้ายมาที่ น, นี่เราเห็นชัดเห็นนั่นเดียวเห็นชัดหลวงพ่อแนะให้ดูตามดูความเคลื่อนไหวของกายอันนั้นก็คือถือเวลาที่ใจมั น, นฟุงฟ้งขนาดนั้นก็ก็ดูใจไม่ได้ก็ให้ดูกายก็จะเห็นในร่างกายนี่เดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวเหลียวซ้ายแลกว่า เดี๋ยวก้าวไปเดี๋ยวถอยหลงังเดี๋ยวคู่เดี๋ยวเหยียดอนะไรเงี้ยนั่งดูฝ่ายใจมันจะสงบขึ้นมามิงคิดมากไปล้รู้สึกไหมใจมันหนีไปคิดเรารู้ทันเนี่ยมิงไปกดไว้รู้ไหมตัวเนี้ยตรงเนี้ยทื่อๆนิดหนึ่งรู้สึกไหมตรงเนี้ยคือเราไปกดยืนพื้นจนเป็นปกติของเราอยู่ตรงนี้เลยนึกออกไหมเมื่อกี้ตอนที่ส่งไม้ไปนะ ใจเราทื่อๆนิดหนึง่งเรากดไปนิดหนึง่งอา้าวคืนใหม่มาอีกทีนึงยังเห็นไม่ค่อยชัดค่ะแต่ว่าเมาื่อก่อนไม่ไม่ได้สังเกตเท่าไหร่มันจะซึมซึมไปนะเพราเราจะกดให้นิ่งไปเรื่อยๆจนเคยตัวเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีอะไรทำนะมันจะกดตัวเองลงไปนิดหนึง่งถ้าคอยรู้ทันต่อไปไม่กดใจก็จะเปิดบานโปร่งๆไปส่ ง, นะงไมไป นี่ไม่กดเห็นไหมไม่กดแล้วมันโล่งๆรู้สึกไหมเราไปกดแล้วจะทื่อๆกราบนะ้ำมศการหลวงพ่อนะคะพอเพอิญวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาได้มีบุญมาที่นี่นะคะวั น, นวันนี้จะขอเรียนอนุ ญ, ญาตทำเรื่องของกรรมนะคะเพอเอิญว่าที่บ้านเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ป่วยเรื้อรังนะคะหลวงพ่อแล้วก็เป็นภาระที่ค่อนข้างจะหนักเลยจะกราบเรียนหลวงพ่อว่า ถ้าในกรณีเช่นนี้นะคะสมมุติว่าถ้าทางคุณหมอแนะนําว่าเราอาจจะสามารถเข้าไปสบายได้แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะรักษาได้เนี่ยถ้าเราต้องการตัดกรรมโดยให้เข้าไปสบายมันจะเป็นการตัดกรรมหรือว่าเราจะเป็นการกอร่อกรรมต่อเราต่อไปกรรมสิคนระเรารู้ว่าเขาเป็นสัตว์รู้ว่ามีชีวิตอยากให้เขาตายลงมือทำํำแล้วเขาตายองค์งงประกอบของปาณาติบาตครบเลยเป็นการกอร่อกรรมนะแต่เขาก็ ทรมานนะคะหลวงพ่อทรมานนั่นกรรมของเขาเขาต้องเสวยกรรมของเขาในการทรมานงั้นเขาทรมานเราไม่ได้ทรมานเรามีเมตตาอะไรเงี้ยงั้นหน้าที่ของเราก็คือควรจะดูแลเขาเต็มที่แล้วให้เขาไปเองใช่ขอบคุณค่ ะ, ะโยมทางโน้นหน่อยทางโน้นคือเราไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสิน ว่าเธอสมควรตายแล้วเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของใครเลยเขาเป็นเจ้าของชีวิตของเขาเองงั้นเราจะไปตัดสินคนอื่นไม่ได้ถึงเขาจะเป็นสัตวน์นะเขาก็มีชีวิตที่เขาหวงแหนของเขางั้นถ้าเราไปตัดสินแทนเค้าเนี่ยกรรมนั้นอยู่ที่เราละแต่ถ้าเราเมตตาสงเคราะห์ไปเท่าที่ช่วยได้นะสมมติเท่าที่ช่วยได้ เต็มสติเต็มกำลังแล้วเข้าไปกับเขาช่วยไม่ได้ดังนั้นเราได้บุญอยู่แล้วเป็นบุญของเรากราบนมัสการครับทิพย์กับผมค้างอันแรกก็คือว่าชื่อกับผมของกับผมเองยังไม่ได้กราบเรียนให้หลวงพ่อทราบก็ผมชื่อบุญแทนครับเป็นพ่อของบุญต้องที่มานี่ครับเมื่อวานนี้ ผมรักษากายรักษาใจไว้ไม่ค่อยดีช่วงเช้าผมเราต้องเป็นนั่งลบอยู่หลังเก้าอี้ที่วางสูงๆไว้ครับเพราะว่าเรายังควบคุมเรายังดูแล ก, กายใจไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ได้อย่างที่ต้องการ ก, เก็เกิดเหตุนะครับทีนี้ก็พอช่วงช่วงสายผมก็เลยเมาเข้ามานั่งที่นี่แล้วก็ ทำใจให้ให้ให้ให้มันเย็นขึ้นแล้วก็ภาวนาให้มากขึ้นภาวนาไปก็นึกถึงตัวเองทรัพสมบัติมีอะไรบ้างลูกเมียยังไงแล้วก็พยายามที่จะสลัดออกไปให้ได้จริงมันก็ยังสลัดไม่ได้ครับอาจอาจจะสลัดไปได้เพียงแค่ขี้ฝุ่นขี้ผงที่เกาะอยู่เท่านั้นเอง นี่เมื่อก็มีอันนึงที่ผมอยากกล่าวเปลี่ยนก็คือว่าพอเราเริ่มภาวนาไปได้ถึงจุดของเขาแล้วเนี่ยก็คือผมกับผมภาวนาว่าทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราที่ดินก็ไม่ใช่ของเราบ้านก็ไม่ใช่ของเรารถก็ไม่ใช่ของเราตัวเองก็ไม่ใช่ของเราภรรยาก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเรา รู้สึกว่ามันโล่งขึ้นมาทันทีครับแล้วผมกราบเรียนถามว่าถ้าจะปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่เนี่ยแล้วจะสามารถสลัดออกได้สักเท่าไหร่ครับก็สลัดได้ชั่วคราวนะมันเป็นสมถะคือเราคิดที่หนาอย่างเงี้ยเป็นสมถะแต่สังเกตไหมทั้งหมดอ่ะมันมีลูกเราเมียเราสมบัติเราเนี่ยตัวที่เป็นตัวกลางจริงๆคือตัวเราครับนะ นี่มันมีตัวเราขึ้นมามันก็เลยมีลูกเราเมียเราสมบัติเราให้เรารู้ลงในกายรู้ลงในใจมากๆถ้าเราเห็นว่ากายนี้ก็ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราเนี่ยลูกเมียอะไรเนี่ยพวกนี้มันจะร่วงหายไปเองกระทั่งตัวเราก็ไม่มีของอื่นก็ไม่มีนะอันนี้เป็นการแก้ปัญหาถาวรทํำมิปัสฐนาแต่ถ้าเราใจเราฟุ้งซ่านไม่สบายเราคิดพิจารณาอย่างที่โยมทําอย่างนั้นใช้ได้ทําให้จิตสงบนะได้สมถะ เพราะงั้นถ้าทำมิปั ส, สนาไม่ได้ก็ทำสมถะแต่และ ว, วันแต่และเวลาเราก็เลือกดูตอนนี้ทำสมถะแล้วสงบสบายก็ทำไปตอนนี้มีเรี่ยวมีแรงแล้วเรามารู้กายเรามารู้ใจนะมีแรงจะทำเราก็ทำไปเรียกว่าไปทั้งสองทางอะโยมเบอรเก้ามาจากเชียงใหม่นมรรการพระคุณเจ้าผมตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับ ด, ดูสบายๆรู้สึกตื่นเต้นเลยก็สองสวรร์มาแล้วก็หนักใจเพราะว่ายัางทำความเป็นธรรมชาติโดยกายและใจไม่ได้แล้วยิ่งวันนั้นหลวงพ่อชี้สภาวะข้างในใจเห็นแลยครับว่าใจเนี่ยดิ้นขุบขากูขักอยู่ข้างในเลยแตก่ก็เป็นผู้ดูอยู่แต่ก็รู้สึกว่าใจเนะี่ยที่ดิ้นนะหาทางออกไม่เจ อ, อก็แต่ก็อีกใจนึงก็ไม่หนี ก็ว่าว่าไหนๆมาแล้วก็ต้องพยายามสู้ต่อไปหาทางต่อไปที่จริงเราเรียนให้สบายๆน ะ, อ, ะอย่าไปกังวลว่าจะรู้เรื่องหรือจะไม่รู้เรื่องอให้เราแค่รู้สึกตัวอย่าใจลอยไปแล้วก็อย่าไปนั่งบังคับตัวเองไว้ของโยมที่ผ่านมามันติดการบังคับตัวเองงั้นถ้าเราแค่รู้สึกนะแล้วก็ไม่บังคับ เดี๋ยวมันก็คิดดีเดี๋ยวมันก็คิดร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์ก็คอยตามดูมันไปนั่งดูเล่นๆจิตของโยมอย่างเมื่อวานนี้ดีกว่าวันนี้อีกนะวันนี้มัวกว่าเมื่อวานดูออกไหมดูออกครับเนี่เราแค่แค่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาการเกรงนะครับใกล้ท่านอาจารย์แล้วเกรงขึ้นมาแล้วก็วันนั้นพอเย็นกลับบ้านผมจอดรถแล้วเปิดประตูรถออกมาก็เจอลมพัดมาวูบใหญ่เราก็ที่กายปั๊บก็ดูทันได้ทันทีเลยครับ แล้วก็ดูพิจัยก็เห็นว่าเย็นสบายแล้วก็เห็นเลยว่าสภาวะตอนที่เป็นธรรมชาติตอนนั้นเป็นยังไงก็เห็นสามอย่างเลยครับไล่กันไปเลยดีแล้วนะดูไปตามธรรมชาติเราอย่าไปเสแส้งแกล้งปฏิบัตินะมันไม่ใช่ของแท้เขาเป็นของเขาเองครับใช่เขาเป็นของเขาเองอันดับต่อท่านเจ้าค่ะบางครั้งรู้สึกว่าจิตมัน เกาะนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่ได้หนักนะค่ะมันจะค่อนข้างเบาะค่ะอะไรนะฟังไม่ค่อยออกจิตเหมือนกับเกาะหยุดนิ่งอะคะอ่ะแต่ว่ามันไม่หนักจะเป็นจิตเบาๆเลยเไม่ทราบว่าถุหรือผิดเจ้าค่ะรู้ถูกแล้วนะไม่ต้องไปอยากให้มันไม่เกาะนะมันเกาะอยู่รู้ว่าเกาะแต่มันไม่ได้เกาะแบบเคร่งเครียดนะมันเกาะแบบเบาๆรู้ว่าเกาะเบาๆไป สังเกตไหมมันเกาะของมันได้เองเราไม่อยากเกาะเลยมันจะเกาะเราสั่งมันไม่ได้เราเรียนรู้ลงมาที่กายที่ใจ เ, เพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับมันไม่ได้เริ่มรู้สึกบ้างยางว่าบังคับมันไม่ได้จริงหรอกรู้สึกแล้วนั่นแหล ะ, ด, ะดีแล้วรู้สึกอย่างนั้นบ่อยๆนะที่ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนนี้แข็งปึกเลยนะะส่งต่อเดี๋ยวกล้องรอเดี๋ยวนะก็จะหมดละ ในมรดการหลวงพ่อค่ะอาจจะอาจอาจะถามหลวงพ่อสอ ง, งข้อ น, นออยากทำหลวงพ่อสองข้อค่ะก็คือว่าอย่างความเคยชินของตัวเองเนี่ยเวลาที่จะพอรู้สึกอะไรขึ้นมาจะบอกตัวเองว่าวางอั น, นิี้ถูกหรือผิดนะคะก็ดีเหมือนกันนะแต่เป็นสมถะคือการภาวนาเนี่ยถ้ายังเจือด้วยการคิดเนี่ยนะเป็นสมถะ มันก็ทําให้ใจสบายใจโปร่งใจโล่งขึ้นมีความสุขชั่วครั้งชว่วคราวแต่ว่าถ้าใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปอย่างมันมีความทุกข์ขึ้นมารู้ว่ามันทุกข์นั่งดูไปเหมือนดูคนอื่นทุกข์มันมีความสุขก็นั่งดูไปเหมือนดูคนอื่นมีความสุขมันจะโลภมันจะโกรธจะหลงดูไปเหมือนเห็นคนอื่นโมโ oh หอยู่อย่งนี้นั่งดูเหมือนดูคนอื่นไม่ต้องวางก็ได้วางเขาวางของเขาเอง ไม่ต้องบอกตัวเองว่าวางสายชีเออไม่ต้องนะนะถ้าบอกได้ต่อไปเราจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งนะแทนที่จะเห็นว่าไม่มีตัวเราก็จะกลายเป็นเราเก่งขึ้นมาการแล้วอยากเรียนถามอีกข้อว่าสมธธรรมติถ้าเกิดโอเคเราเร า, เราก็พยายามจะรู้ตัวไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อบอกว่าเวลาเราทํางานเราก็ต้องไปคิดอยู่กับงานตรงนั้นคือก็ ก, ก็เว้นวักไปใช่ไหมคะเว้นวักใช่มันจําเป็นต้องทํามาหากิน กเวนวักไปก็ก็คือการที่ไม่รู้ตัวตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันมันไม่ใช่ไม่เป็นไรมันต้องใช้คำว่าช่วยไม่ได้นะข้างหลังมีไหมสาวๆไม่มีแล้วส่งมาทางนี้นะอ๋อเอาละอ่ะใช่นมัสการเจ้าค่ะก็ตอนรอส่งกันบ้าน ก็นั่งสำรวจใจตัวเองว่าคิดยังไงแล้วก็รอคําคิดคําเอาไว้วเออตอนนี้เมื่อกี้ซึมสักพักนึงก็จะบอกอ๋อตอนนี้ไม่ซึมแล้วน่าเรลงขึ้นแล้วแล้วอีกสักพักนึงก็โอ้ยตอนนี้เริ่มซึมอีกแล้วจนมาถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนมันจะน่าเรลงด้วยซึมด้วยแล้วก็กดๆไว้หน่อยอ ย, อย่างเงี้ยค่ะถูกต้องละเนี่ยเรหัดัวอย่างเงี้ยนะดูทั้งวันเลยอย่ามาดูเฉพาะตอนมาหาหลวงพ่อนะ อ, อยู่ข้างนอกก็ดู ก็ดูมาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าทำงานมาทั้งอาทิตย์ก็คือกดไว้ทั้งอาทิตย์เลยเก็เพิ่งจะมีวันนี้ที่มันสบายขึ้นมาหน่อยหนึ่งค่ะนะอีกหน่อยก็เลิกกดนะกดไว้แล้วมีความทุกข์มันมันเลิกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้รู้ว่ากดอีกหน่อยก็เลิกไปเองเนะพราะการกดก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเลยส่งไม่มาข้างหน้าหนเลยกล้องยกมือหน่อยจะได้ส่งถูกทิศทาง ถานอกเรื่องนิดหนึ่งครับกี้ที่เขาบอกว่าจะฆ่าสัตว์นี่สัตว์ไปสบายนะครับรู้ได้ไงมันไปแล้วมันสบายมันจะยิ่งแย่กว่าเก่าก็เหมือนถ้าเราป่วยมากๆครับสมมุติเราป่วยมากๆแล้วไปกระโดดตึกตายเนะี่ยอาจจะยิ่งไปไปนร ก, กก็ยิ่งซวยกว่าตอนที่ป่วยอีกนะครับไปอย่างฆ่าตัวตายนะห้ามฆ่านะอย่างคนมีความทุกข์แล้วไปฆ่าตัวตายคิดว่าจะพ้นทุกข์ไม่พ้นนะ มันทุกยิ่งนานกว่าเก่าอีกเคยเห็นนะผู้หญิงคนนึ่งผูกคอตายสามีทิ้งไปบ้านจะถูกธนาคารยึดไม่รู้จะทํำยังไงผูกคอตายเดินร้องไห้เลยนะเดินลอยเหนือพื้นไปคืบเดินร้องร้องไปเรื่อยๆไม่รู้จะร้องไปถึงเมื่อไหร่คแถวนี้เป็นมนุษย์นะทุกข์อย่างมากก็ปีสองปีอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นทุกนานงั้นกรรม เล็กน้อยอะไรก็ไม่ทำนะไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์รวมทั้งไม่ฆ่าตัวเองไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่โกหกมีสติเรื่อยๆค่อยฝึกสร้างคุณงามความดีความดีไม่หายไปนะความชั่วก็ไม่หายค่อยๆฝึกไปบางคนคิดว่าจะภาวนาไม่มีศีลไปไม่ได้ไม่ได้ศีลธรรมสาคัญทุกข้อแหละ ถ้าไม่สำคัญพระพุทธเจ้าไม่สอนหรอกอเชิญกลับบ้านไปวันนี้ไล่ได้ทั้งห้องเลย